นะครัพุทโธกรรมพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นว่าผู้เบิกบานเราระลึกถึงในองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สมัยสมพุทธเจ้านะพระองค์เป็นผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นผู้รู้อะไรเป็นผู้ตื่นจากอะไรเบิกบานอะไร เป็นผู้รู้ความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงอย่างไรนะเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนักกัมักว่าทุขัรสัตความเป็นจริงเรื่องของทุกข์เราก็คงได้ทราบได้พบได้ประสบกันอยู่แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรบ้างนะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ย ความไม่ส บ, บายกายความไม่ส บ, บายกายส บ, บายใจความขับแค้นใจความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์พัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์มันเราได้ส่วนม น, น, นุษยนี่นีว่าทุกข์อริยสัจทุกข์นี้ควรทําอย่างไรพระพุทธเจ้าเขาสอนว่าทุกข์นี้ควรจะกําหนดรู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้ นั่นก็กหนดรู้นั่นก็พระเจ้ากำหนดรู้ได้แล้วที่พระองค์รู้เรื่องของทุกข์นะสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นยังเกิดขึ้นมาเรียกว่าสมุทยัย เป็นเหตุให้ทุกเกิดพระพุทธเจ้าก็กําหนดรู้แล้วว่าสมุทัยนี้เป็นอย่างนี้รู้เหตุรูปปัจจัยได้หมดครบทุกอย่างนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะละพระพุทธเจ้าก็ละได้แล้วนี่ก็เป็นความรู้นะพุทโธก็คือผู้รู้ก็รู้อย่างนี้ นิโรธความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ได้ความที่จางคายไปของกิเลสพระพุทธเจ้านั้นก็ทําให้แจ้งได้แล้วควรทําให้แจ้งพระองค์ทําให้แจ้งได้แล้วมีความรู้ในใจของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้เป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ก็เรื่องของมรมีองแปดนะ เป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติได้แล้วในว่าเป็นมักกะสัตนี่นความรู้พุทธโถพุลู้เนี่ยเขรู้ในอริยสัจทั้งสี่นัผู้ตื่นเละตื่นจากอะไรคือใจของคนในโลกที่เกิดมาเป็นใจที่หลับไม่ได้ตื่นเมื่อเราลืมตาไม่ได้เราเป็นคนตื่น เราก็จะมองเห็นความเป็นจริงนะ้ำว่าขนาดที่เราหลับนั้นนะ่ะเราก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนนะเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็กลัวจริงๆเห็นสิ่งที่น่ารักก็รักจริงๆเห็นสิ่งที่น่าชังก็ชังจริงๆในความฝันนั้นนะ่นะนนคือเราหลับอยู่เมื่อเราตื่นมาแล้วเราจึงรู้ว่าที่เราฝันไปเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่ความจริง แต่ในขณะที่เราอยู่ในความฝันนั้นมันเป็นความจริงในขณะนั้นคือเรายังหลับอยู่เมื่อเราตื่นมาแล้วร่างกายเราตื่นมาเราจรึงรู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องของความฝันไม่ใช่ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ตื่นแล้วตื่นอยู่ในโลกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคนในโลกยังหลับอยู่ใจยังหลับไม่ใช่กายหลับ ใจยังหลับยังหลงอยู่ด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานทําให้ใจเราเนี้หลับแล้วก็หลงไปพระพุทธเจ้าพระองค์ตื่นแล้วตื่นจากความหลับความหลงแล้วคือตัวอวิชชาที่ทําให้ใจของเราหลับแล้วหลงไปไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าของเรา น, นี่ว่าเป็นผู้ตื่นเมื่อตื่นแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบานแล้วในธรรมะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใชใจก็เบิกบานแล้วาจากความหลงทั้งหลายจะมาหลงยึดภาพรูปน้ําเป็นตัวเป็นตนตของเราของเขาไม่มีแล้วใจของพระพุทธเจ้า เ, าเบิกบานในใจของพระองค์แล้วนี่นะเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี้ คือระลึกไปถึงใจของผู้เจ้าว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมถะกรรมฐานก็จริงเป็นอุบายวิธีทําจิตของเราให้นิ่งสงบเมื่อจิตของเรานิ่งสงบจากอารมณ์นิวรณ์ทั้งหลายมีความคิดฟุ้งซ่านเป็นต้นเน่ยออกไปจากใจเราได้แล้วเราเห็นว่าใจตรงนี้ที่มีความสงบเนี่ย กายเบาจิตเบาเบิกบานใจใจที่มันมีความทุกข์ทั้งหลายไม่มีในขณะที่เราได้บริกรรมพุทโธเมื่อสงบจิตของเราไปได้ระดับหนึ่งคำพุทโธนี้ก็หายไปเหลือแต่ความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่นี่คือจิตที่สงบระงาบจาก ความคิดนึกปรุงแต่งวุ่นวายบางทีเรานั่งสมาธิไปห้านาทีก็รู้สึกมันร้อนใจมันร้อนมันอยู่ในนรกก็มีนะเออนั่งไม่ได้กระวนกระวายใจแต่เมื่อเราพยายามนั่งต่อไปอีกเราก็จะนั่งได้แล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็นั่งได้จิตก็จะสงบคำวบาพุดโทก็ไม่มีแล้ว สงบนิ่งเบิกบานละนี่เราก็จะยกกายก้อนนี้นะี่ยรูปนามเนี่ยขึ้นมาพิจารณาดิมารูปน้ําก้อนนี้นะที่เรายึดถือนักหนาว่าเป็นตัวเราของเราเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ได้ไหมเออร่างกายนี้ฉันไม่ต้องการให้มันแก่นะฉันไม่ต้องการโรคภัยแค่เจ็บนะ ถ้าไม่หลังการความตายเราจะบังคับบัญชาได้หรือเปล่าเราก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่จิตใจตรงนี้นะมันถูกเอาวิชาครอบงำไว้ก็ยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆนี่คือเรานี่คือแม่เรานี่คือลูกเราสามีเราญาติของเราการยึดถืออย่างนี้ก็เรียกว่าโอปาทาน วัตตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจมีความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาใน ใ, นใจตันหาอุ ป, ปาทานเนี่ยคือเป็นกิเลสเป็นตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทุกข์เกิดเกิดขึ้นมาใน ใ, น ใ, นใจเมื่อสังขารนี้มันเสื่อมแต่ใจเป็นทุกข์ด้วย แต่ถ้าเกิดใจของเรามีผู้รู้อยู่นะสังขานนี่มันเสื่อมแต่ใจไม่ทุกข์ปล่อยไปตามสภาพปล่อยไปตามสภาพนะตามความเป็นจริงที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อเห็นอริยสัจสี่ความเป็นจริงนี่เองมาทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาภาวนาเดินมนรรคกอศลสมาธิและกับปัญญา อย่างที่บอกเรามานั่งสมาธินี่ น, นะเจริญทําจิตของเราให้สงบอยู่กลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมบอกพุทธโธนี่จิตของเราสงบแล้วก็จะได้พิจารณาในก้อนกายนี้ตามความเป็นจริงถึงบางครั้งปัญญายังไม่เกิดเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนมีขันติมีศีลมีศิลหะ นะในวันปกติมีสิ้นแปดในวันที่เรามีโอกาสเป็นลามาสมทานมาปฏิบัตินะก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราในชาตินี้แหละเพราะอะไรล่ะเกิด ข, ขึ้นมาแล้วร่างกายมันก็นเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอแหละนะนะทุกคนมีมากมีน้อยมียอดมากยดน้อยต่างๆมีความสุขมากสุขน้อยนะ ตังแต่ยาจบเข็นใจคนยากจนคนยากไร้เกินไปจนคนเป็นเศรษฐีกระดุมพีเกินไปนะจนเป็นมหาราชามหาราชินีต่างๆทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วนะก็จะเดินทางไสู่ความแก่ความเจ็บความตา ย, ยนั่นแหละสิ่งสำคัญนะผู้ที่มีปัญญาก็เล่งสร้างสมบรมบรมมีไว้มีทานมีศีลมีภาวนาไว้เออ ถ้าเรายังไม่พ้นจากความทุกขเกิดขึ้นมาอีกเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบาะเกิดพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติทําให้สูงขึ้นไปตายจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นมนุษย์อย่างเช่นธนานาธาบินิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นนะนะจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นเองนะก็จะพ้นจากทุกข์เข้าสู่แดงกเกษมคือพันธิพานได้ เพราะฉะนั้นเรานี่มีโอกาสแล้วชาตินี้เกิดขึ้นมาเป็นอยู่ในเมืองไทยเมืองพุทธมีพระราชามระราชนีของเราก็เป็นผู้สนับสนุนในพระพุทธศาสนาและกระทุกศาสนาด้วยเราก็พยายามเจริญคุณงามความดีบำเพ็ญนะทางด้านจิตใจของเรามีการภาวนาเป็นต้นนี่ห้ใจของเรามันเยือกเย็นเป็นสุขเป็นสงบ ด้วยกรรมฐานภาวนาพุทธโธธัมโมสังโเป็นตนจนจิตนั้นอย่างลงมาเป็นสมป ร, รมฐานแล้วก็เจริญวิปัจนายานจนเห็นชัดว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดน่ะนะมันล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแล้วเรานี้นอนอยู่สบายสบายได้อย่างไรอะเออเรานอนอยู่ในบ้านของเรานั่งอยู่ในบ้านสบาย เรามองเห็นไหมว่าไฟคือความแก่ไฟชราไฟบารณะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วร่างกายนี้เนี่ยมันเสื่อมไปเสื่อมไปแล้ววันหนึ่งก็เกิดโรคร้ายขึ้นมาก็าได้เราก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอะไรเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาก็าได้ในที่สุดมันก็ต้องตายไปอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกๆคนได้ยิ่งความตายแล้วไม่มีใครหนีพ้นเลย ถ้าเรามาภาวนาอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทละชีวิตของเรานี่เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนาะเออหาหนทางที่จะออกจากความตายดีกว่าองค์สมเด็จพระศ า, ศาสดาก็เดยตัดสอนว่าหนทางนี้เธอจงมาเดินหนทางนี้เออเธอจงมาข้ามกระแสะโลกเข้าถึงกระแสธรรมดูกนอืม พิกษูทั้งหลายดูก่อนญาติยโยมทั้งหลายพระเจ้าก็าตัดว่าให้พวกเธอนั้นนะมาข้ามกระแสะโลกนี้เข้าสู่กระแสธรรม ท, ท่มาทวนกระแสะโลกนี้เพื่อให้ถึงกระแสธรรม ท, ท่แล้วเราจะทวนกระแสะโลกเพื่อถึงกระแสธรรมอย่างไรกระแสะของโลกก็คือกระแสะของอวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานนี่มันเป็นกระแสะของโลกนะ ใจเราไม่ปฏิบัติไปตามกระแสะโลกแล้วมันก็จะพาไหลไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเบื้องต้นเราก็หาไม่พบผ่านเลยม่าเราเกิดมานานเท่าไหร่นะพบไม่ได้เลยมันนานมากจริงๆเอาล้านลานปีวันนี้โยมพูดไปทั้งวันก็ยังไม่พบต้นวัฏฏะสงสารเลยคิดดูว่านานขนาดไหนที่เราเกิดมาทุกชาต เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ไม่มีละมีสุขก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกเออมีบ้านขึ้นมามีรถขึ้นมามีวัตถุสิ่งของขึ้นมาเราจะมีความสุขวัตถุสิ่งของที่เราหามาได้เมื่อใจของเรามีความยึดถือก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอีกแล้วเรามีสามีก็คิดว่าจะมีความสุขอย่างเดียวสามีก็ให้ความทุกข์เราอีกแล้วเรามีภรรยาที่จะมีความสุข ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เราอีกแล้วทั้งมีลูกอีกก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อเรามีอะไรเราเป็นอะไรเราเยึดอะไรมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาภาวนาเดิถ้าเราไม่ภาวนาเรายังเกิดไปข้างหน้าอีกเราคิดว่าเราจะจบเมื่อไหรล่ล่ะเราพูดว่าเราเกิดอีกล้านปีล้านปีล้านปีล้านล้านปีไปเรื่อยทั้งวันนี้ถ้าตามบดามีอภิชา ตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกระแสโลกแล้วจะพัดพาจิตใจของเรานี่ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลยเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าวั ต, ตะสงสารลวัตแต่ถ้าเรามาเดินมกักในกว่าทวนกระแสโลกทวนกระแสของอวิชชาตัณหาอุทานก็คือการที่เรามาให้ทานมีศีลมาภาวนานี่แหละ เรากําลังทวนกระแสโลกเพื่อให้ถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกระแสแห่งความเป็นจริงที่พระองค์สอนว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉยตัวไม่เฉยต้นนี่แหละทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าจิตใจของเราเนะี่ะถ้ามันยังไม่ถึงซึ่งความดีแล้วเราจะไม่พบความเป็นจริงได้เลยแต่ใจตรงนี้แหละทวนกระแสโลกไปเรื่อยมันจะยากมันจะลําบาก มันจะใช้กำลังขนาดไหนเราก็ต้องทวนเหมือนเราทวนกระแสน้ำพายเรือทวนกระแสน้ามันจะยากลำบากกว่าพายเรือตามน้ำนะพายเรือตามน้ำลงไปก็จะพบแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจนับหาประมาณไม่ได้ะในพระตาสงสารอันยาวนานแต่ถ้าเราทวนกระแสน้ำเกินไปแล้วเราจะพบถึงสึ่งกระแสธรรมความเป็นจริงจิตจะอยู่เหนือโลก จิตจะพ้นโลกได้โลกุตตระคือเหนือโลกนั่นเองก็ ข, ขอให้พวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโสดาบันโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราคือน้อมเข้าไปแล้วซึ่งกระแสธรรมนั่นเองก็ข อ, ขอให้เจริญในธรรมของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเทิน